พระธรรมเทศนาแผ่นที่63าลำดับที่26โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีสแสดงธรรมเมื่อวันที่9เมษายนส5 5 7ายมีชื่อเรื่องว่าสาวงามในตู้พระไตปิดกวัน ที่หเมษายนพุทธศักราช2557ลงพ่อลงไปกรุงเทพขึ้นเครื่องลงไปกรุงเทพไปพักที่สวนแสงธรรมที่แรกว่าจะลงไปแต่วันที่ห้าเพราะว่าวันที่ห้าเป็นวันรวบรวมภาพป่าเพื่อหาทองคำ คล้าๆแเป็นสายใหญ่ตั้งแต่องค์หลวงตามรณะภาพลงมาก็ลูกศิษย์ลูกหาก็พยายามทอดภาพป่าทุกปีคือคบเรบบวันลำลึกถึงการหาทองคำเข้าคลังหลวงของหลวงตาวันที่11เอ็เมษาตรงพ่อจำไม่ผิดว่าปี39หรือปี4ี่นเนี่ย่ะ โครงการของหลวงตานะออทํามาทุกปีจนปี2546หลวงตามอบทองคําเข้าคลังหลวงที่สวนอําพรจากนั้นก็หลวงตาก็หยุดออกตะเวนตามหัวเมืองต่างๆก็พี่น้องประชาชนก็เมื่อทราบแล้วก็หลวงตาก็รับมีใครมาถวายทองคําดอนล่าปัจจัยเพื่อจะเอานําเข้าคลังหลวง หลวงตาก็รับเปวันรับแบบน้ํำซับน้ําซึมมาเรื่อยๆจนหลวงตาจะจุตินิรพานทองคําก็ได้12ตันกว่าได้12ตันพอหลวงตาจุตินิรพานงานถวายศรีระของท่านพี่น้องประชาชนมาทําบุญเกี่ยวกับงานศิริระของท่านก็ได้ปัจจัย ได้ทองคำทั้งหมดสิบสามตันกว่าก็อมอบข้าคลังหลวงทั้งหมดนี่ในเมื่องานชลิละของลงตาจบลงจากนั้นก็คณะสิทธิ์ลูกสิท์ลูกหาน่าจะเป็นสายใหญ่เอาไว้เผื่อต่อไปภายภาคหน้าถ้ามีอะไรเกิดขึ้น ในบ้านเมืองพวกเราจะได้ทำบุญเป็นประจำประจาทุกปีทุกปีทุกปเีเพื่อเป็นสายใยที่มีอะไรเกิดขึ้นว่าเอาเอในเงินของหลวงตานะหลวงตามีเจตนาเพื่อจะให้ทองคำเหล่านี้ค้ำชาติบ้านเมืองค้ำธนบัตรให้มีคุณค่ า, าไม่ใช่เอามาใช้มาใจ จะเป็นรัฐบาลชุดใดก็ตามไม่ควรจะเอาเงินก่อนนี้ออกมาใช้พวกเราก็จะได้ทวงติง่งเพราะมันมีสา ย, ยายอยู่อันนี้ก็หลวงพ่อเห็นด้วยนะก็หลวงพ่อจะลงไปวันที่หลงไปในเรื่องนี้เรื่องหนึ่งแต่ทราบข่าวว่าจะมีการเดินขบวนอยู่แถวพุทธมนทนทางเข้าพุทธมนทน ก็ใกล้สวนแสงธรรมหลวงพ่ อ, อคงไม่สะดวกมากก็เลยงดวันที่หก็เลยลงวันที่หก็ก็ไม่มีอะไรละวันที่6วันที่ 7, เก็ไปฉันที่จิตโพชนาปากบ้านของคุณหลวงที่เคยไปฉันโอ้พี่น้องประชาชนเยอะนะคนเยอะมากมากมา ก, มากกว่าทุกครั้งที่ไปฉันที่บ้านคุณหลวง พอฉันเสร็จแล้วก็ไปธุระแล้ววันลุ้งขึ้นก็ไปฉันที่วังเทเวศหม่อมสรารีน้องพระองค์โสมทำบุญครบอายุของท่านก็ทำบุญเมื่อวานพอเสร็จแล้วหลวงพ่อก็ขึ้นกลับมาขึ้นเครื่องมาไปสองวันพี่น้องลูกหลานนี่แหละ อันนี้ก็คือไปพาระทุระของหลวงพ่อที่ไปรับกิจนิมนต์แต่อย่างไรก็ตามนะพี่น้องลุกรานทุกขูทุกค น, กคนพวกเฮายาตั้งอยู่ในความประมาทสร้างสมคุณงามความดีมือนี่ก็เป็นวันที่มือเนีเป็นวันที่เก่าเมษายนพุทธศักราชสองพันหารอยหาสิบเ็ด พระทั้งหมดทั้งพระทั้งเนี่ยสามสิบสามลูกลงมาชันยี่สิบแปดเหมือนะถึงยังไงพวกเฮ้าทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาทอย่าไปลื่นลื่มหลงมั่วมเมาหลงไหลในโลกวัตะสงสารจนเกินไปอย่าหลงในการเป็นยูว่าขาเป็นพระจะคิดจะทาออย่าง ก็ถือว่าขา่าเป็นพระเป็นพระเป็นสากยาบุตรเป็นบุตรของพระพุทธทเจ้าพวกเข้าเป็นโยมคือกันเป็นอุบาสกอุบาสิกาให้คิดไว้อยู่เสมอว่าผู้ข่าเนี่เป็นสักกายบุตรเป็นบุตรของพระพุทธทเจ้าเป็นพุทธบริษัทของพระพุทธทเจ้าให้คิดในใจ เมื่อเข้าคิดในใจจังสันสิ่งไหนที่มั่นบ อ, ด, บอดีเข้าสีบอ่อคิดเข้าสีบอ่อทำเข้าสีบ่อพูดเข้าจะทาแต่สิ่งที่คิดแต่สิ่งที่ดีทาแต่สิ่งที่ดีพูดแต่สิ่งที่ดีเมื่อคิดดีพูดดีทาดีแล้วความเจริญความผาสุกก็จะเกิดขึ้นในตัวของพวกเข้าทั้งหลายคนว่าพวกเข้าลุ่มหลงในกิเลส ลาค่โทษสะโมหะแล้วจะหาความจะเลื่ญนล่งเรื่องใดจังใดว่าเหตุดเพราะว่าเห่าหลงถลําไปในความหลงความหลงมั่วเมาความหลงมัวมมเมาในคํานี้นี่มันบ่ได้เลือกอระดับใดใดกิเลสกิเลสราค่โทษสะโมหานี่ว่ได้เลือกอว่าเถาว่าแก่ว่าได้ว่า ยอดถามบรรดาศักสูงทรงขนาดไหนไม่ว่าถึงจะเป็นพระสงฆ์ก็เถอะขันบอชั่ระบอยช้าบอยสงังบอยคัดบอเก่าบอปฏิบัติตามรักรรำคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วแพ่กิเลส ท, ทั้งมดัดบววาพระสงฆ์ระดับใดบววาอยู่ในป่าอยู่ในโดง่งอยู่ในบ้านอยู่ในเมือง แปลว่าเป็นลูกน้องของกิเลสใดทั้งหมดเพราะนั่นเข้าอยู่ในปลาในหลวงเข้าก็ยาทะนงตนยาเลื่อมตัวให้ลู่เท่าลู่ท่านไว้ยอยู่เสมอแต่ทุกขณะจิตใจของเขานะาม่มีพลใดที่จะฮู้เยี่ยงกว่าตัวของเฮ้าแต่ละคนใจของเข้าถลำไปทั้งใดไปออกไปทั้งกิเลสวะขั้นออกกลางทั้งกิเลสมันทังลาบวะทั้งยศวะ ทั้งยกย่องบอกอยากให้เขายกย่องบอกอยากให้เขาเ ส, สนอเสนอเสนอบอกมันไปทางใดกิเลส ข, ของเฮาเดียวนี่มันต้องเบิ่งใจจบของขนาดว่าโบเบิ่งใจโบเบิ่งจบของแล้วนะลืมจ้าของได้ง่ายๆคนที่ลืมเจบของมันเหตุซัวได้ง่ายๆคือกันนะอดันทุลังไปเลยจนคนอื่นบอกบปฟังนะ่หมะว่าตัวเองเธอเฉพาะปนัน ที่แท้เราผู้อิงจะรับบ่อดผู้แห้งนะข้ามันอยู่ใกล้ข้ามันกูบายอาจารย์ข้าหกที่ออกมานะลูกซีดตัวนันไปก้ามันเป็นกูบายอาจารย์เห็นลูกซีดเฮ็ดกับลูกอาจารย์ข้าหกที่ออกขึ้นกันมาลงไปรับบ่ดใเพอหนังสิ่งเหล่านี่เฮ้าต้องเอาลักถ้ำค่าสอนของพระพุทธเจ้าเอาลักพระธรรมวิ น, นัยมาตรวจตรามาเป็นบรรทัดฐานมาเป็นกระจกเงามาเป็นแบบฉบับ มาเป็นแนวทางสำหรับพวกเข้าจะต้องเดินตามแนวแถวที่พระธรรมคาสอนหรือพ่อแม่กู้บายจานผ้าดําเนินมาจังหดอย่าไปออกนอกลูนอกทางกาะออกนอกนอกลูนอกทางนั่นนะไปไผ่เขารับบ่อใทั้งหมดนะั่นนะเพราะกิเลสตัวนี้มันกิเลสราคาโทษสามโมหะมันม่อยู่ในระดับใดพร้อมที่จะคีหัวจิตหัวใจของเข้าทุกคน พอมาพูดเทิงเรื่องนี่ลงพอก็มากล้ำลึกถึงคนโบล้านเขาแต่งเป็นนิทานและเป็นแนวความคิดแต่บอม่านและพระไตรปิฎกนิทานป ล, ปลําปะล่าว น, นไปแต่หน้าคิดหน่าคิดค่อยๆว่าเป็นเรื่องที่พวกเขาจะต้องได้ศึกษามันพบุมุษอยู่ในในไผ่ละคนนั้นไปแปลว่าขั้นตีพระไตรปิฎกพอแตกเนี่ยแปลว่าเขาก็ต้องเป็นขีกาของกิเลสเลยละคนนั้นไป การท้าวตีพระไตรปิฎกแตกเนี่แปลว่าผู้นั่นกับแปลว่าเป็นผู้ชนะเป็นผู้รอบรูกคนโบรานเขาเล่แตแรงเป็นเป็นข่ำขืนมาเป็นคล้ายๆเขว่าเป็นตัวอย่างขืนมาให้ผวกเข้าได้ฟังแต่การฟังทั้งนี้ทั้งนั้นพวกเข้าก็ต้องแยกแ ย, กแยกะหวงพได้ดูถูกเกยยามผู้ใดใข่ผู้นึงคันว่าผู้ใดจะเป็นทั้งสัตน แปลว่าปเปโผนันก็เป็นผู้แพ้ อ, าาอิลีเออเป็นผู้แพ้ต่อกิเลสรากขโทษสะโมห้อิลีขั้นผู้ไดเหตุจังสัตขั้นผู้ได้เอาชนะได้ผู้นั้นก็บเปโวเป็นผู้ชนะเออเป็นผู้เกง่งเอาชนะกิเลสภายในจิตในใจของเจ้าของได้ทีนี้ท่านเรื่องนี้เพลนว่าสมัยหนึ่งเพลนเขาบอกยกนี่แหละสมัย กรุงสุขโขทยัยกรุงศรีอยุธยาการปกครองมีทั้งบานเมืองมีทั้งฝ่ายพระสงฆ์พระสงฆ์ก็คือนี่แหละฝ่ายปกครองสมเด็จพระสังฆราชเนี่ยทางฝ่ายบ้านเมืองก็คือเจาา้าฟ้าเจ้าแผ่นดินแต่นพ่อต่อมาสมเด็จพระสังฆราชก็ว่างว่างลงแต่มีสมเด็จอยู่ส ม, มีอยู่ ส, ม, สมเด็จอยู่สีองค์ที่จะเป็นสังฆราช แต่ว่าความรู้ความสามารถใกล้เคียงกันแต่บวชหูจักสิเลือกอปุฎัยเป็นสังฆราชพราอว่ามีความคิดสติปัญญาก็เลยไปว่ารอบรู้ขึ้นกันทีนีก็พระเสนาอำมาตทั้งหลายพคนไปปูที่จะเลือกภาษาสังฆราชเลยเจ้าสิเอาองค์ใดเป็นภาษาสังฆราชพูดนั้นก็จะเอาคนน่ะเกิเสี ย, ยใจพูกนี้ การสีเอาพลเนี่ยก็เสียใจกุมนันการเสีเอากุมนันก็เสียใจกุมนี่สี่องค์เด่แต่ในพวกนักปราชญ์เก่าันคงจะเป็นนักปราชญ์เก่านันคงเป็นมหาเก่านะมั้งปชุ่มหาลือกันบัพวกนักปราชญ์เก่าพวกแกเลี่ยนมันไปเพวกแกเลี่ยนเรานั่นกัแพร่กิเลสมาแล้วไปหูจักหูจักทังกันไปหูจักท้างกิเลสพอตัวเองคยแพร่มาล้เด บาตรเนก็ไปชุ่มกันก็เลยว่างแผนพอว่างแผนแล้วก็ให้พระเท็ดห้องไว้ซีห้องกันไปพอสมเด็จสมเด็จซีซีองเด้ซีห้องผู้ที่จะเป็นสมเด็จพระสังฆราชจากตกแต่งอย่างดีกันไปบาตรเนก็ในมณฑ์อพอสมเด็จทั้งซีองน่ะเขาไปจับในมณฑ์ว่า จะมีหนังสือมีตู้พระไตรปิฎกเขามาในห้องแล้วก็ให้ท่านแปลพระไตรปิฎกเอากระดาษดินสอปากกาให้ย่างดีนะให้ท่านแปลในพระไตรปิฎกนี่ที่แปลว่าจังใดถ้าผู้ใดแปลได้ดีกับผู้นั้นก็จะได้เป็นสมเด็จพระสังฆราชลักษณะยังสันละท่นนี้ก็เอาเขาไปในห้อง ว่หามตูปไตปิดกเข้าไปแล้วบาทแต่ว่าในตูปไตยปิดกนั่นพวกนี่ยก็เสียมสอนอดาล่าสาวงามแบบว่าเลีเ้ยเลีย่ยงคนม้หญ้าอย่างสอนไปมัดตัวนข้าไปแต่นี่ก็นั่นแหละปอยเอาเขาในตูปไตยปิดกก็หามเข้าไปนะ ถามก็ไปตั้งไว้กัเป็นซองหายใจก็บคงจะมีอยู่มั้งแต่นี่ก็ปิดเอาให้ตันปิดประตูอย่างดีแด้วตีปะไตปดกคนปะไตปิด ก, ดกอพอแล้วเลยเนี่ยพระสมเด็จ ก, กับเปิดตูมาเนเพื่อจะเอาปะไตปิดกออกมาแปรพอเปิดออกมามันเป็นสาวงามไาเนี่ ออกมาเยโอ้ยกนมายากกิเลสทุกอย่างออแปลว่าสามองค์นั่นเนี่แพ่วนไปแต่่าองค์หนึ่งเน่ยพ่อเปิดออกมาแล้วสาวงามออกมาเนีย่ยโยโยนือเหมือนกับนั่งตันหาราคาอะอรดีโยโยนพระพุทธเจ้าจังสั่นละ่ะพ่อออกมาเีไว้สมเด็จหมดจดักศอกจักเขา้าเลยไป น้ำออกจางนี้มาท่าใดแปลว่าสู่ทุกลูบแบบแไปสาวสาวงามเลยหัวย่อมเลวรนไปเขาไกลบัวลายอสมเดชกันเลยพอได้เวลาเปิดตองมาแปลว่าสามองค์แพแพตีประไตปิดกตีประไตรปิดกพอแตกกันไปย่อมแพแต่องค์นี้ชนะ แปลว่าตีพระไตรปิฎกแตกตีตูแตกคนละใบตีพระไตรปิฎกแตกชนะนะีก็เลยโยกให้องค์นี้เป็นสังฆราชเนีเพราะว่าเป็นผู้ชนะเลยไม่มีใดสู้ได้ทั้งสมองค์นั้นนี่ถ้าว่าเปรียบเทียบให้เห่าพวกเห่าได้คิดทั้งหลายแหล่นี่แหละพระพุทธเจ้าชนะนั่งตันหาราคาอรดีที่โคนตนพม่วงวั่นขึ้นตัตสรูนะั้นลักษณะจังสีล่ะอันนี้คือกัน อันเองโมเมนตตะพร้ได้จะเปรียบเทียบกับโยมผู้ยิ่งขึ้นกันเฮ่มาปฏิบัติธรำเนี่ยสิกัพิจารณาจังใดออในแยกแยะออมันโมแมนแต่สาวงามในเบาวงามก็มีคือกัน đấy? เด้เบาวด่าล่าลไป อ, อพิจารณาจังใดแยกแยะจังใดให้เห็นออถาดซีดินน้ำร่มไฟจังใดให้เห็นอสุภะปฏิกูลจังใดในร่างกายของพวกเฮาเนี่ยให้เห็น อ, อ จังใดเห็นหางกระดูกจกังใดโครงกระดูกจังใดในร่างกายของเห้าในร่างกายของผู้อื่นคานว่าเห้าพิจารณาของเห้าก็ดีขเขาก็ดีแต่ลงไปดินน้ำล้มไฟลรือกิเลสนาใดตัวใดสิมาเอาชนะเห้าใดเพราะเห็ุใดเพราะเห้าพิจารณาดูทีถวนหมดแล้วเพราะนั่ะเอสิ่งเรานี่ที่พูด ให้พวกเข้าทั้งหลายเดีฟังหน่อศึกษาบรมเณแต่จะบอกพระพ่อต่พูดพระอย่างเดียวบย่ได้ปอกิเลสมันอยู่ทั้งฝ่ายหญิงฝ่ายชายฝ่ายย่อมผู้หญิงผู้ชายมันมีกิเลสราคะโทษะโมหะอยู่ํากันทั้งหมดที่พระพุทธเจ้าเอาชนะนา่งตันหารากะอรดีขึ้นกันถาวรฝ่ า, ายผู้หญิงคือกันก็ต้องเอาชนะเท้านั้น ดาล่าเนี่ยดาล่านี่พย่านี่ยพย่านี่คือกันเ อ, อ่ท่าพยา่าเขามากเกี่ยวของเฮ้าก็ต้องเอาชนะด้วยจิตด้วยใจเห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมันเป็นเรื่องที่จะต้องพัวพันมั่วเมาอยู่กับโลกวัรทสงสารหาที่สิ้นสุดบ่ใดถ้าเฮ้าไปจมปลักกับเรื่องกิเลสกามราคะมีแต่เกิดพพนายชาตินาเป็นหมูม้ากาไก กับมีคือกันเออมันมีมาาแตงแต่ขีสข่สะดั๊กขี่สะดือน่นพอะมันมีแต่ตัวบุ้งตัวนอนพอนะเออมีเรื่องกามมากิเลตเรื่องเพาะพันธุ์ผสมพันธุ์เออขื่นมาจนเป็นมนุษย์จนถึงเท ว, วดาหฮอดเท ว, วดาห์เเท ว, วดาก็มีเลยเออแต่บมมีแต่พร้อมเอ่อพร้อมเลยค่ะว่าอาพร้มมาจารยาเลยเออเป็นเอกเทศ ทำมีจิตใจมีแต่ยู่หรือความสุขด้วยสมาธิความสุขด้ว ย, วขวยเขาสมาธิจิตใจบอมีกิเลสลาคะโทษสาเขามากเกี่ยวของอในช่วงนั้นจิตใจแปลว่าเป็นเอกเทศเป็นอภมิมจริยาแต่นอกจากนั้นลงมานะเป็นสวรรค์เพราว่าสันใดแต่ว่านารกเนี่บอมี่นรกกับพวกเปรตเนีบอมีพราะอะไรเพราะมันมีความทุกข์ จนกว่าที่บ่ชสามาี่จะคิดถึง เ, ออเรื่องกามมกิเลสได้แต่ว่าเรื่องสัตว์ธิรชานทุกประเภทมันมีอยู่ในจิตในใจเพราะนั้นสิ่งเรานี่มนุษย์คือกันทุกระดับชัน้นแต่เฮาเจะเอาชนะจังหดพระพุทธเจ้าสอนจังใดที่เพิ่นเอาชนะกิเลสที่โค้นตนโพ่มือนั่นเพิ่นนางคัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทํากายให้ตรง ดำรงสติเฉพาะหนา้าก่อนที่เพิ่นจะนัง่งหจากพญาม้านเสนาม่านผลนิสุกพญาม้านก็ทรงนั่งตันหารากขาอลอดีม่โยยวนมาให้พระพุทธเจ้าหลงไหลมั่วเม้ากับกิเลสเล่านันแต่พระพุทธเจ้ า, เ, าเพิ่นมองเบิงแล้วเพิ่นก็นตัง้งจิตอธิษฐานให้แนว่วแน่ จนตั้งคิดอธิฐานว่าด้วยบุญบา ร, รมีของเพลนที่บ่มเพ่นมากถูกพบถูกชาติขอให้เอาชนะกิเลสภายในใจในภายในที่เห็นเนี่ยออกได้ผล น, นั่งอธิษฐานเสืนั่งทรนีบิดมวยผมพยายามม่านเสนาม่านก็จมนำหายและเลี้ยงละล่ไปอันนี้ก็คือเป็นเป็น เป็นธรรมอาธิฐานปุค卡拉าทิฐานธรรมอาทิฐานยกขึ้นมาเป็นปกุกค拉าธิฐานเป็นตัวอย่างสรุปแล้วคือเมื่อเข้าคิดเมื่อเขาพิจารณาเบังในเมื่อเข้ามาปฏิบัติจังสี่เขามานั่งภาวนาจังสีแล้วเวลานั่งภาวน่าเา น, าานี่ยมันกีเดทเ่านั้นมันขืนมากบ่มันมีไดยเหนื่งบววาปะพูแต่เจ้าบววาพวกเข้าทั้งหลาย พระพุทเจ้าเมื่อ พ, น, น, พ น, นังภาวนาเนี่ยพ่อจิตจะเข่าสงบเนี่ยเพิ่นก็ต้องระลึกถึงในสมัยเพิ่นเป็นครวาดเรื่องกามกิเลสรากขานั่งตันหาคือคือราคขาตันหานางตันหารากขาอัลลัดีนั่งตันหานั่งราคขานั่งอัลลัดีความยินดียินหล่จะต้องเกิดขึ้นในเมื่อมันเกิดขึ้นมาเนี่ยพระองค์จะเอาชนะใจเจ้าของจังไรกว่า กระดวยเอาทรมาดีด่นเอ้ยข้าจะบวชข้าจะหนีออกจากโลกวัตะสงสารพอแรงแล้วกิเลสเหล่านี้มันจะมาพัวพันกับข้าได้อยู่เหรอข้าต้องมีสัจจะคือความจริงจังและจริงใจอย่าเข้ามาใกล้นะกิเลสนะพระ อ, องค์ตัดกิเลสด้วยทรมาุบนะเมื่อทำมาหุดิต การอธิษฐานของพระองค์อย่างแน่วแน่เนี่ยกิเลสเ่านั่นมันจะเข้ามาได้จะไหนแต่กระโจนเร็วหน้าไปนามพระไถยของพระองค์เป็นนามที่เหลือนับคารณะช้าชล่างกิเลสทั้งหลายทั้งปวงละเลงละไลยไปหมดอันนี้แหละอันนี้ก็คือถ้าหากว่าเข้าเปรียบเทียบก็คือถ้ำ ม, มาธิฐานคือใจพระไถยของพระองค์ประวัติไปในทางที่กา ม, มากิเลสเนี่ยคือหลวงพ่อกิดว่าคงจะบวัง ออมีออร่างตันหาราคอลดีที่เขาเขียนในออกระดาษ on, ah, nah, คือมาฟอนอ่อนฟอนเอฟอนแอนบิดซ้ายบิดขวาบิดหนาบิดหลังพญามารก็คงจะบอกขีสร้างเขามากเลลายหัวหลายง่าอย่างที่พวกเฮาได้เห็นคือจ่อเป็ี่ยนยังสันมั้งก็คงจะเป็นภายในพระไทยของพระองค์เป็นภายในใจของพระองค์คือการกับเฮาพวกเฮาทั้งหลายนะ พอไปนั่งภาวนาคิดถึงถูกคิดถึงร้านคิดถึงบ้านคิดถึงเพือนคิดถึงกิจการงานคิดถึงค้าวหมกผู้เหนือคิดถึงอาหารคิดถึงเที่ยวคิดถึงเหรียคิดถึงเตี๋ยวแตร่ไปมองหันมองนี่ปูงฟุงซ่านไปมดสาลวุ้นวุ่นวายกันไปเอามากพอละขนาดนี่ก็เลยกอมก่อยออกซะกันไปเพราะใจมันออกแต่เพรากิเลสมันสู่กิเลสบุได้กันไปเอาละฟังตอนนี้ไป รลับพ่อนะ น, นะน่ากนเมาหลายมันยาวไปหนะ